ถ้าทำถูกก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ค่อยดีอ่ะคือคำว่าทำถูกก็ถูกสมมุตินะถามว่ามันจะถูกไหมกับสมมุติที่เป็นเนี่ยเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ตมถ้าทำไม่ถูกลำบันถึงหมายถึงคุกหมายถึงตารางไม่รู้เนะี่ยปัญหามันเยอะเยอะเพราะคนไม่ได้พูดคุยกันด้วยใจทีเนี้ย คุยกันด้วยเลี่ยีเหลี่ยมตัวบทกฎหมายไม่ได้วความจริงใจจริงจังเขาบอกว่าคนมันกิ้เหนดตัณหามันเยอะเหมือนลูกตาเคยพูดนะกฎหมายเนี่ยเราอย่าให้นักกฎหมายมาอ่านกฎหมายนี่อย่าให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กอ่านได้ฟังและถามเขาว่าความหมายมันคืออะไร แล้วเด็กมันจะตอบแบบซื่อมากเลยจบทำตามนั้นแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยมันตีความไปอย่างนี้ตัวอักษรมันว่าไปอย่างโน้นเห็นไหมความหมายมันน่าจะอย่างนี้ยคือคนไหนมีอัตตาไปไหนก็ตีเข้าข้างตัวเองโดยมีตัวประกันคือความอยากอ ย, กอยู่ตรงรางอืมอย่างเขาบอกตอนอัจฉริัะโตนาโถนี่ตนแลเป็นที่พึ่งของตอนตนแลเป็นที่พึ่งของตอน ตัวอักษว่าตนเนี่จะต้องแลแลดูอะไรประมาณนะั้นแลดูตนเองหรือไม่ได้หมายคำว่าไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นคําภาษานะตัวตนเป็นที่พึ่งของตอนก็ได้ใส่ไปแล้วไม่นี่คาว่าที่พึ่งที่พึ่งอะไรล่ะนะอโอ้คนเราถามไม่ได้เจ็บใคยได้ป่วยหามตัวเองไปได้ไหมอย่างโน่นนี้ว่าไปคือคนไม่เข้าใจพุทธพจน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ พุทธศาสนากับไม่เหมือนกฎหมายโลกกฎหมายโลกนี่จะขึ้นอยู่กับสมมุติเหตุปัจจัยคือพูดภาษาคนเขารู้เรื่องนะขางโลกเนี่ยไม่ยากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าต้องเอาคนที่บริสุทธิ์ใจมาพูดแล้วกฎหมายจะไม่มีค่าติความเพราะกฎหมายก็ไม่ได้ทำอะไรลึกซึ้งสลับซับซ้อนอะไรมากมาย แต่ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้จะเอาคนทั้งโลกมาตีความเอาหนักกฎหมายมาตีให้เอาไม่ไม่ไมมนต้องมองไปที่เป้าหมายอย่างท้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเขาใช้คำพูดอะไระมีนิตรัฐนิิธรรมมาใช้คำนี้เข้ามาคือพูดถึงเรื่องข้างในมากขึ้นนะพูดถึงความสงบมากขึ้นความสงบคือเป็นความยุติธรรม ให้มันยุติเรื่องนั้นอ่ะมันยุติธรรมแต่ทำใี่เป็นเรื่องเตี่ยงธรรมนิกายหนึ่งในศาสนาเขเรียกว่านิกายธรรมยุตินินกายธรรมยุติสถาปนาโดยรัชกาลที่สี่ซึ่งท่านบวชกับพระมอนที่วัดสมรัยแล้วท่านก็มาเป็นองค์แรกเป็น เจ้าวาดวาดัดบวลนี่เมธมิหารแล้วก็ทั้งธรรมายุติเป็นธรรมายุติตรงนั้นจบตรงนั้ น, น, น, นในแบบนั้นเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นแหละอันนี้คือเหมือนกันไอ้ความยุติในมันมันตรงที่ไม่มีมารยามันสิ้นมารยาธรรมะนี่เขาใช้คำว่าวิราคะธรรมวิราคะความสิ้นกำหนัดถ้ามีความสิ้นกำหนัดก็หมดะหมดปัญหาแต่ถ้ามีความกำหนัด ก็จะมีการกำเนิดมีกำหนัดแล้วจะมีกำเนิดนะถ้าไม่มีกำหนัดก็ไม่มีกำเนิดกำเนิดคือเกิดแหละถ้ามีกำหนัดคือเกิดเกิดได้เกิดทุกเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมาทีนี้เราก็มาเรียนรู้เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้เรายุติปัญหาแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากมุมไหนอะไรยังไงนะ ถ้าทางโลกนี่ก็คือบางทีอย่างที่ว่าน่ะเขาเขียนไวง้ง่ายง่ายแต่มันทํายากมากเพราะสังคมมีอัตตาเห็นไหมขนาดศาลรัฐธรรมนูญศาปลปกครองศาลอะไรต่างๆทุกวันเนี้ยมันสู้กันด้วยเรื่องเลี่ยมบุนตาเจอน้า ก, กฎหมายเจอน้าอะไรคนนึงบอกว่าไม่ยอมให้โลกเป็นนักกฎหมายเป็นขัดไปเรียนอย่างอื่นซะอย่าไปเรียนเรื่องแบบเนี้เพราะอะไรเพราะว่าอืม มันไม่ใช่ความจริงน ะ, น ะ, ะคือเรียนไปเพื่อไปทําอาชีพมันไม่ใช่ความจริงนะคนละอันกันมันต้องทําให้คนนี้ถูกคนนี้ผิดคนนั้นผ่อนเศ้าผ่อนยาววุ่ยมากมายต้องหัวต้องอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายเขาก็เลยไม่เอาออเคยคุยเขาว่าแล้วอาชีพไหนดีที่สุดน่าจะเป็นพระขอกเพระพระเดี๋ยวนี้ก็โกหกเหมือนกันนะวน ะ, โะโกหกอืโกหกยังไงอเอ้า มันไม่เห็นสัจธรรมอ่ะแล้วก yes. ็ว่าไปตามเรื่องอย่างเราเอานรกมาขายอย่างเนี้ยโยมทําไม่ดีจะตกนรกนะเนี่ยทั้งที่เราก็เองก็ไม่เคยไปนรกบางทีก็เอาสวรรค์มาขายทั้งที่เราก็ไม่เคยไปบนท้องฟ้าสวรรค์เป็นยังไงโยมทานเท่านี้จะได้ไปสวรรค์นะเนี่ยแล้วก็มาขายอีกเอานรกเอาสวรรค์มาขายให้คนถามว่าบาปไหมเนี่ยหรือพูดถึงนิพพานเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่รู้นิพพานทางไหนเนี่ยถาว่าโกหกไหมอมก็โกหกนะ แต่มันเป็นการโกหกที่อะไรน ะ, นะคนไม่เรียกว่าโกหกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมีความศรัทธาเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนพระไปหาพระเนี่ยเหมือนโยมไปหาพระจะขอหวยกับพระพระ พ, ระพูดเล่นๆโน้หัวแล้วถูกหวยโอ้ยดีใจว่ามีโชคท่านบอกให้แม่ น, นวันต่อมาพระก็พูดเหมือนกั น, นพระพูดอย่างดีเลยทีนี้บอกเลขให้เลยไปซื้อปรากฏว่าไม่ถูกกลอกว่าเฮ้ยเราไม่มีบุญเองเนี่ย ไม่ได้หวังว่าพระบอกให้ผิดนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีบุญเองคือยังไงพระก็ไม่ผิดนะบางทีนี่ถ้าเรามีศรัทธาแต่ถ้าตั้งสติดีๆหน่อยอ้าวก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคือเรียนรู้อะไรตามความเป็นจริงนั่นเองฉังนั้นเราทั้งหลายบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นสมมุติที่ไปผูกพันกับจิตที่ตื้นๆเนี่ย ทางโลกเขาเอาจิงเอาจังมากนะสมมุติเป็นอะไรสมมุติเป็นพระสมมุติเป็นโยมเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์สมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันครูนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสมมุติให้เป็นอะไรแล้วเป็นจริงเป็นจังพอเป็นจริงเป็นจังก็อุปทานก็แดก่ะทีนี้อุปทานก็ซ้อนเอาไปตัดีอคือจริงจังเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นน่ะ ปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเราจะไปจริงจังกับมันนั่นเองถ้าจริงจังเมื่อไหร่ทุกข์นันนอืนสอนคนก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่สอนเอาจริงเอาจริงแล้วมันไม่เป็นตามคิดเอาทุกข์ทันทีนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเอาจริงเอาจริงทนไม่เป็นตามทุกข์ทันทีนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันส่วนมากเราเอาจริงเอาจริงคือเราจริงตามทฤษฎีที่เราขีดบรรทัดไว้ต้องเป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เราดูเด่นน้ําในแผ่นดินเนี่ยเวลาลูเขาขีดน่ะน้ํำน่ะระดับน้ําในแผ่นดินเนี่ยบางแห่งเขาเจาะตื้นๆเจอน้ําบางแห่งเจาะลึกเจอน้ําเพราะว่าน้ํามันจะเป็นี้เป็นอย่างนี้แล้วแต่เราจะเจาะถูกตรงไหน่ะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยมันนะน้ำเนี่บางทีมันตรงตรงไปใต้ดินนี่นะเราโย้ระดับน้ําระดับน้้นก็ขึ้นกับเงื่อนไขนะดูกับเหตุปัจจัย ใจคนก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ได้หมายคำว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดในสังข์ถ้าเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเป็นอัตตาละเป็นอัตตาหมายคำว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดในนี้นะเราตั้งใจไว้ทังดีว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราคิดนะแล้วมันไม่เป็นอย่างคิดจะเป็นอยังไงเป็นทุกข์กันเลยทีเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า พอใจเราตั้งไว้อย่างนี้ว่ามันเที่ยงพอมันที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเที่ยงอึดอัดนาเดียมารู้สึกมันไม่เป็นไปเป็นอย่างที่เราว่านะคนเนี้ยทํำไมต้องเป็นอย่างนี้เรอปฏิบัติตอนนี้อารมณ์ทําไมเป็นนี้เพราะเราไปยึดเราไม่ได้ดูตามที่มันเป็นนะมันขึ้นก็รู้มันขึ้นมันลงก็มันเป็นลงนะอบางคนปฏิบัติทำวันนี้อาจจะขึ้นขึ้นลงลงดีบางชัวบางเตยยังหัวเราะได้ยิ้มได้อืมแสดงว่าศักแต่ว่าเป็นความคิดในะนัง ทีนี้เวลาเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราจะทําใจได้หรือว่ามันเป็นสักแต่ว่าเหมือนที่เราเดินจูกลุ่มเนี่ยเราคิดทั้งวันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะเหมือนอยู่ได้อ่าไปอยู่ทางโลกก็อ้าอารมณ์มันนี่เกิดขึ้นอารมณ์นั้นไหลเข้าไหลออกยิ้มได้ไหมบางทีไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวตนนะบางที่ยิ่งเราไม่รู้สึกกูปฏิบัติทำมานะมึงมันไม่รู้กูรู้เองยิ่งยุ่งเข้าไปอีกอัตตาตัวตนมันจะฟ้องขึ้นมาเร่อยๆดังนั้นเราสังเกตดูว่าโลก จริงจังกับสมมุติมากเพราะเขาเห็นสมมุติก็คือความจริงอย่าง น, น้อยเขาก็มีสัจจะทางโลกเนี่ยยึดมั่นสัจจะสัจจะคืออะไรสัจจะคือรอรอคือกฎระเบียบไม่ใช่ทรุรกนะเป็นเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นกติกาสังคมต้องออกแบบนี้ต้องแบบนี้คนนั้นมันไม่อยู่ในกฎนะมันไม่อยู่ระเบียบนะอะไรประมาณนั้นนั่นคือกฎของเขานะ กดของเขากดของเขามันทำไมาจากไหนไม่จากสมนะสมุติเนี่ยสมมุติขึ้นมาแต่เขาจะเอาจริงเอาจังมากคนนี้ไม่มาทางานตรงเวลานะคนนี้เล่นชู้นะเนี่ยคนนี้อไม่มีจรรยาบรนนะในการทํางานในเรื่อนี้เนี่ยมันเป็นสมมุติหมู้ดน่ะแต่เขาเอาจริงเอาจังมากแต่สมมุติพวกนี้เป็นเป็นลักษณะอหลักประกัน ของคนคนนี้ในฐานะที่เป็นสมมติเอาพระนี่มีหลักประกันมีจั ญ, ญาบัลสินทรงร้ยยี่สิบเจ็ข้อพระนะสัมเนยอะไรสัมเนก็สิบไม่ชีอ้าวก็แปดอย่าให้มันล่วงเกินนี่นะไม่ชี้ละ่ะอ้าวก็สามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยเราก็สมมุติกันไปตามเรื่องว่าระเบียบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบ น, นะมันขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นจะ อะไรอ่ะใ้สมัยโน้นสมัยนี้เพราะมันเกี่ยวกับสิ่งเวทล้อมบ้างเกี่ยวกับอารมณ์คนบ้างกับเกี่ยวอะไรบ้างนะไม่ได้ไหมาว่าเก็บมาสามร้อยเลยนะไม่ใช่แต่เขาว่าอย่าล่วงละเมิดประมาณนี้นะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําเลยเรื่องพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็บรรลุทําได้นะสิ่300งสามร้อยข้อเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะแต่อาจจะบรรลุทําได้นะะอย่างนเนเนอาจจะไม่รู้สิ่สองรอยี่สิบเจ็ดข้อปฏิบัตทิทําเนี่ยรู้แจ้ง ญาติโยมมาจากบ้านนี่ว่าปฏิบัติทำก็ถือศีลห้านี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรศีลแปดอะไรเนี้ยอ้าวก็ตั้งใจบ้างถามว่าเขาเรียนรู้ตามหลักวิชาไหมไม่ปฏิบัติทำไปก็รู้สึกว้ากินข้าวแล้วมันง่วงเนาะอ้าวผมไม่กินนะตอนบ่ายอ้าวถือศีลแปดโดยธรรมชาติเฮ้ยไม่มีเนี่ยเนี่ยประพฤติผิดประเวณีเนี่ยทําให้จิตมันวอกแปกไปมามันไม่ตั้งมั่นหว่าไม่เอาไม่ดื่มสุราละไม่รักทรัพย์ไม่เลยเฮ้เพื่ออะไรเพื่อจิตมันไม่ค่อยมั่นคงน่ะ มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็ตั้งใจปฏิบัติแค่นี้เองและที่สําคัญก็คือการรักษาศีลที่ดีที่สุดก็คือการรักษาใจตัวเองอืรักษาใจใจมันจะแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอริยะกันตศีนี่ในหลักของปาริสุทติศีลสีนส่นะอาชีวะปาริสุธิศีนสี่คือทําอาชีพแบบง่ายๆอาชีพอะไรก็ได้ที่มันไม่ติดอารมณ์รู้จักไหมนั่นแหละเขาเรียกว่า สัมมาอาชีวะแต่อาชีพอะไรก็ตามทำแล้วมันติดอารมณ์ติดอารมณ์ให้มันคิดมากอย่างหมอเ น, นี่ยไปทําแท่งคิดมากทุกมันคิดเยอะนะเอาไม่ทําแท้งนะแต่ว่าห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เนี่ยบางทีะคิดถึงคนโน้นคนนี้มันออกมายากเพรต้องรับผิดชอบแบบนู่นแบบนี้อะไปมาเนเอาละทีนี้ ถึงแม้คุณทำถูกกติกาสังคมอยู่ก็ตามอ่ะแต่ว่าจิตมันก็ถขกผขกมัดอืมันเข้าไปในนั่นคนหนึ่งฆ่าคนอย่างองค์ุลิมาแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ได้อีกหลายหลายคนเนี่ยังไม่ได้ฆ่าคนเลยปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่บรรลุธรรมและไม่มีเวลามาด้วยซ้ำไปเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มันไปผูกพันเนี่ยมันทําให้อการทําอาชีพที่บอกว่าเป็นสัมมาอาชีวะนี่เขาก็ห้ามมานน้น่ะ สมาชีวะคือการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่ลักทรัพย์ไม่อาชีพนะเว้นจากอาชีพที่ทุจริตเสียประพฤติในอาชีพที่สุจริตไม่ผิดข้องมองใจมีสร้างปัญหาไ ม, ม่ทะเลาะบกแวงสึ่งกันเลยกันอาชีพไม่อะไรแล้วมิจฉาวานิชานะอาชีพไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์ตัวเป็นๆ เ, เนี่ยอไม่ค้าขายสิ่งเสพติดไม่ค้าขายเครื่องดองของเมานี่ไม่ค้าขายยาพิษอะไรเขาว่าไปนะเพออะราะว่าเพราะมันมันทําให้กระทบถุงจิตหัวมันจะหงุดหงิดมันจะอึดอัดมันจะรู้สึกว่ามันติดอารมณ์มันผ่านยากไม่หมายว่ามันผ่านไม่ได้นะก็ได้แต่มันยากแต่อีกในประเด็นหนึ่งก็คือบางที เราค้าขายดีดีเนะีนะ่ยอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ค้าขายอะไรเลยแต่ไม่ได้เบียดเบียนใครเลยขายหวยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ขายหวยเฉยเฉยเหมือนยี่สีเนี่ยขายหวยมาปฏิบัติทํามก็ได้อารมณ์ดีจังอะ่ะยี่สี่ไม่เหมือนใคร <c oughs> บางคนยังไม่ได้ขายหวยไม่ได้อะไรเลยทําอาชีพพอถูกต้องทำกฎหมายดีมากแต่ดันไม่ได้อารมณ์ทำดูดิมันไม้เหมือนกันเด้ถ้าถามว่าเอา้า เป็นไงยายสีโอ้ยดวงตาทำไมมันโป่งมันโล่งจังเนาะเดินแล่ะสบายไม่ง่วงมาได้แปดวันแล้วอา้าวเขาท่าเนาะอันนี้นเนาะทาอาชีพอะไรใครหวยอยู่บ้านนะเขาบอกเออเอามันไม่มารบ ก, กวนเหรออาชีพผิดกฎหมาย น, นั่นนะไม่หนูก็ไม่คิดกับมันนะเขาบอกไม่ได้คิดอะไรนี่หางเงินคือหางเงินแหละปฏิบัติขึ้นของเราเนี่อาชีพดีกว่ายายสีทั้งหมดนะ อะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักธุรกิจกธุกทุรกกรมอะไรก็เนีนะ่ยหลายเรื่องหลายอั น, น, นแต่มาปฏิบัติทำ อ, อ๋อมาทำไมันฟุ้งซ่านจังอาชีพก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอะ่ะก็ถูกต้องอยู่ได้รับการยกย่องจากสังคมอะไรประมาณนั้นอืแต่ว่าไม่ได้หมายาว่าท่านบัญญัติผิดนะสิ่งที่บัญญัติไว้ก็ถูกแหละแต่หมายาว่าเนื้อในใจความแท้ๆก็คือมิจฉาอาชีวะคืออาชีพอะไรก็ทำที่มันติดอารมณ์อ่ะ อันนั้นแสดงว่ามันไม่ถูกละนะฮะแต่มันด้หว่ามันติดอารมณ์แป๊บก็เป็นอาชีพที่ไม่ถูกทันทีนะไม่ใช่มิจฉาทันทีคือมันฝึกแล้วมันฝืนมันออกยากอะหลายหลายคนทําบันนี้แล้วเลิกอกลับไปนิจลาออกละจากการทำงานไม่ไหวแล้วนะยังคุณแม่ชีรัดเนี่ยวันนี้เห็นใบลาออกส่งมาถึงแม่ชีเอ้ามีใบลาออกเนาะ ให้ถามว่าทํางานยากไหมเขาบอกว่าโอ้โหลวงตาทํางานแบบเจ้านายเนาะเดินผ่านเข้าไปในออฟฟิศให้เขาเห็นหน้าแล้วก็สะบัดก้นเขาแงบก้มแงบออกมาแต่ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะไปตวนานารวจอนัทเซร่า ย, ย่างนี้เซร่าย่างถามตนเองผู้บริหารเนาะเนี่ยให้ถามว่าเอาแล้วทาไมทาออกมันก็ต้องมีคําตอบว่าอยากทําอะไรที่มันยากกว่านี้นั้นั้นมันง่ายไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็หมายคว่าจะเอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นที่มันดีกว่านั้น ดี่กว่าไปนั่งรับเงินใน น, นี้ยอให้รุ่นลูกรุ่นห ล, นลานให้คนน้นคนนี้เขาขึ้นมาซะดีไม่ดีไปเรื่องเขา น, นั้นแต่หมายคือว่าเราไปเห็นสิ่งที่มันดีกว่าก็จะไปทไําในสิ่งที่ดีกว่าเห็นไหมหลยหลายคนลาจากการจ้างงานมาปฏิบัติธรรมที่วัดสมบันนี้คิดว่ามันง่ายแต่มันไม่ง่ายนะไ <c oughs> ม่ง่ายหลวงพ่อวัดป่านาโพเลยเนี่ยเห็น <c oughs> เขาโทรมาบอกว่ามีคนว่าจะบอกมาจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ โอ้ไปวัดสมนัสเลยแล้วจะอยู่ได้เลยท่านถามนะท่านฝึกก็ท่านก็ฝึกกับหลวงพ่อเทียนนะโยมก็เลยบอกโหก็สงสัยอยู่เพาว่ า, วาเริ่มมีคนตายขึ้นเรื่อยๆแล้วที่วัดสมนัสไม่รู้จะอยู่ได้ไม่ได้ <c oughs> มันก็ดูดีนะแต่ว่ามันยังไม่เริ่มไงยังไม่เริ่มฝึกยังไม่ทําเรียนรู้อะไรออ่ะคนหนึ่งก็ฟังตามกระแสเขาพูดเป็นแบบหนึ่งนะแล้วเราปฏิบัติทำแล้วเป็นอีแบบนึงเนี่ย อเอาอคนอื่นอยู่ได้ไม่เห็นตายแล้วทําไมจะต้องตายด้วยคนอื่นอยู่แล้วเขาอยู่ได้ทําไมเขาอยู่ได้อะเราทําไมอยู่ได้ไม่ได้พระนี่นุ่งผ้าสามผืนเองนุ่งมาดูเรามีทั้งตงเกงทั้งหมอ้อทั้งไหทั้งหมวกทั้งอะไรมากมายหลากหลายเนี่ยสบายแล้วทําไมไม่จะอยู่ไม่ได้เป็นโยมน่ะพระเขายังอยู่ได้เลยเขาล่อนจ้อนมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยอันนี้ เรายังมีเงินอีกถ้าไม่ได้อยู่แล้ก็หนีออกมาก็ยังได้มีเงินค่ารถอะไรประมาณันแต่คนฟองคนละแบียบไงดังนั้นโลกเนี่ยเขาจะมีความจริงจังมากแม้แต่เรื่องการงานอาชีพอะไรทั้งหลายเนี่ยเขายึดเอาจริงเอาจังยึดจู้ทั้งว่ามันปล่อยวางมาปฏิบัติธรรมไม่ได้พอมาปฏิบัติธรรมที่ไรก็เอาไม่ได้แล้วธุรกิจเสียหายตงเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาแนละ้เกิดปัญหาโ น, น่นนี่ดังนั้น สิ่งที่ควรทําก็คือเอาเลือกเท่าที่พอจะเป็นไปได้แต่ให้สบายเลยไม่ได้อ่ะถ้าจิตมันไม่เข้าถึงมรรคถึงผลเนี่ยจะไม่ให้ติดอารมณ์ในมันได้ไม่ได้นะแม้จะไปขอทานขอทานกินน่ะอยู่ๆก็เปลี่ยนสภาพมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ้าจะให้ไปขอทานถูกต้องตามกฎหมายไปไหมอะไรเป็นพระเนี่ยแต่พระไม่ใช่ขอทานนะพระนะเพราะว่าไม่ได้ขอเดินไปเฉย ขอทานนี้จะขอไปพระนี่อยู่ด้ศีลด้วยสมาธิแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาไปบินทบาทเลี้ยวหน้าเลียวหลังงืองๆงเ ง, ง, ง, ง, งหรือเปล่าไม่รู้นะดูนนดูนี่มันก็จบฟุ้งซ่านละนะลวมภูสังสำรวมเกินไปเลินหลับตาบินทบาทก็มี น, นี่มันดงตาระวังดีนี้จะได้เตะกองขี้ควายเขา <c oughs> ก็คือชีวิตขอทานมาบวช ชีวิตเขาเนี่ยอาชีพเขาคือขอทานก็ไม่ได้มีอะไรนะชีวิตขอทานเนี่ยะเขาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติไม่ได้มีอะไรเลยพอมาอยู่วัดก็ไม่ได้ไหวายว่าจะบรรลุธรรมนะแล้วมาปฏิบัติธรรมทาความเพียรก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไว่าจะบรรลุธรรมมันก็ยังยากอีกเงื่อนไขมากมายหลากหลายเพราะเรื่องของจิตไงจิตเนี่ยวอกแวกนะพันธนังจะปรังจิตตังทุระขั้งทุนิวาระอย่างอุศ โรติเมทาวีอุสุการววเทชนังจิตนิรุนแรงกวาดแก่งรักษายากห้ามยากแต่ไม่ได้หมายกาว่าห้ามไม่ได้นะห้ามยากรักษายากเมทาวีเมทีชนคือบกคลใดก็ตามทำที่จิตดินรุนแรงนี้ให้มันตรงได้เหมือนในช่างสอนดัดลูกศอนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเมทีมีหนังสือเล่มหนึ่งน้ะเมทีตะวันออกเขาเขียนเสถียรพันตธังศรเขียน ใครเรียนปรัช ญ, ญาเรียนเห็นหนังสือเล่มพวกนี้ยความหมายจริงๆคือเมธีก็คือในในศัพท์ที่พระพุทาท่านใช้ก็คือผู้ที่ทําจิตให้ซื่อตรงจิตที่ซื่อตรงก็คือกระทบเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะกระทบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิน่นสักแต่ว่าได้กลินล่นลิ้นรดสักแต่ว่ามันไม่ปรุงไม่เปลี่ยนสถานะ มันไปเปลี่ยนแปลง ม, มันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของเราเนี่กระทบปุ๊บมันปรุงกระทอปบปุ๊บปรุงปรุงอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะได้เคี้ยวอร่อยขึ้นนั้นไอตัวที่มันปรุงคือตัวตันหาละ่ะตัวตันหามันจะต้องปรุงทันทีเนี่ยกระทบแล้วไม่ปรุงไม่ได้เลยไม่ได้นะเพราะมันเคยเคี้ยวแบบนี้เคยกินแบบนี้เห็นไหมเวลาได้อาหารมานึง่งนึกถึงโอ้ยน้ำปลาไม่มีเลยน้ำพริกบ้างหน้าเนี่ย จะนึกถึงทันทีเฮ้ยน่าจะเปรี้ยวกว่านี้หน่อยนะซอสหลับไปไหนเนี่ยอืออยากรู้ตามมองเห็นอะไรอ่ะเห็นโยมเขาอะไรนะผัดเผ็ดผัดเผ็ดเวลาผัดเผ็ดเนี่ยผัดเผ็ดไปในร้านเขายังมีสีเนาะมาผัดเผ็ดแต่บ้านเราขาวมาล้านอยู่เหมือนเดิมอะว่าเออผัดเผ็ดนี้ไม่น่าจะมันน่าจะลืมใส่ซอสนะเนี่ย มันจะน่าจะมีซอสพริกซอสเพิคอะไรมามันไม่มีแล้วในครัวประมาณนั้นนะมันก็จะนึกถึงแบบนี้จิตมันจะปรุงไวมันนึกถึงอะไรมันมันสร้างภาพของรสชาติสีไว้พราะกระทบปุ๊บมันจะปรุงไปจากที่แต่หมายความว่าคนมีหน้าที่ทำก็คือทำนะทำปกติอะไรก็ทำทำทาให้มันดีที่สุดแม่ครัวก็ทำให้มันดีที่สุดนะฮะคนกิน ก็กินให้มันดีที่สุดคนชิมเกิดชิมให้มันดีที่สุดคนปฏิบัติเพื่อปล่อยวางก็ปล่อยวางให้มันดีที่สุดนั่นเองไม่ได้หมาว่าพรุ่งนี้นี่จะเ้าปลาหมึกที่ได้มาจากทะเลนั้นใส่ถ้วยมาเลยจะไปปรุงแต่งเคี้ยวไข่เคียวมันเลยเด้วยอันนี้ก็ไม่ได้มันคนละเรื่องเอาไหนว่าไม่ปรุงแต่งอะไรประมาณเนี้คําว่าไม่ปรุงแต่งคือปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดเราเนี่ยะคือเอามันพออยู่ได้ถ้ามันเหม็นมันคาวมันเลยก็เอานี่แหละทําให้เกิดโทษอันเนี้ย แต่ทำปรุงแต่งมากก็จะทําให้เกิดรถเกิดจาติติดก็เกิดโทษโทษอันนั้นโทษนิ่มๆตัวนั้นน่ะแต่ น, นี่โทษหนักๆเลยเนี่ยอาเจียนหนักนะเนี่ยฉะั้นก็เอาพออยู่ได้เอาพออยู่ได้อย่างกรรมเนี่ยกรรมรสเนี่ยคนอยู่ทั้งโลกเนี่ยเขาจะปรุงแต่งมันมากแต่ความเป็นจริงก็คือเอ้าให้มันพอมีการสืบพันธุ์อยู่ด้วยได้เท่านั้นเองให้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ แต่ในเผ่าวันธุมนุษย์มันมีรสชาติของมันอยู่ในตัวกินเนี่ยมันก็ทําให้คนติดกามนี่ก็ทําให้คนติดนะมันติดจริงๆทั้งมันโผงมัดไว้เลยจริงๆมันต้องการให้เผ่าพันธุ์มันอยู่ให้มันมีรสมีชาติถ้ามนุษย์ไม่กินเนี่ตายหมดเลยนะกินตอนไหนก็ไม่มีรสชาติมันจะไม่กินนะแล้วมันจะตายอ่ะแต่ทีนี้อย่างสมัยก่อนเนาะอาหารการกินเนี่ยคนไม่ค่อยมีนะโรคเบาหวานเนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีนะ หรือเป็นไงรู้เนี่หลวงตาก็ไม่ค่อยรู้นะหลวถ้ารู้จากเงาะนี่อายุสิบสามปีนะเงาะนะนอกนั้นก็รู้จากแต่หมักเล็บแมวอหมักว่าหมักน้ำเต้าหลวงปู่หมักเงีงดกหมูจักบอหมักมเงียงดกอเออบ่มีหมักอย่างสั่มป่ะนะมีแต่หมักสมม่อย่างเดียวป่ะนะหมักท่านเด๋อหมักท่านเด๋อหมักงวง เออมังม่วงปลาเนี่ยมันมีประมาณนั้นนะแล้วการกินเนี่ยมันจะได้กินเป็นฤ ด, ดูอะ่ะฤ ด, ดูหนึ่งถึงได้กินถ้าไม่มีฤ ด, ดูมันก็ไม่ได้กินนะ่ะพอคมนาคมมันเจนเริญรุ่งเรืองเนี่ยมันไหลเข้ามาเลยอะ่ะพอมันไหลเข้ามาคนก็เป็นโรคเยอะเพราะมันกินตลอดไงคนมันชอบหวานเนี่ยก็ต้องกินตลอดอาหารมื่อกี้ก็ต้องมีแต่ก่อนมันไม่มีกินข้าวก็คือกินข้าวนะเดี๋ยวนี้มีหมดอนะแต่ก่อนกินข้าว เฉยๆกำลังกอกแข็งแรงเอ น, นิเดี๋ยวนี้มีทั้งเข้ากล่องเข้าห้างเข้าเมาเข้าอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอุปทานในมันไปยึดที่รถที่ชาติที่สีที่ผิวที่ราคาก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะเดี๋ยวนี้อยากกินแอปเปิลเมืองจีนก็มีมานะกินสาลี่เมืองจีนก็มีมาออสเตรเลียนะมันอยากกินดูเรียนเมืองไทยแล้วก็ส่งดูเรียนไปอ้าวมันก็ได้กินเน่ะ ได้กินโมดเดี็ดนี้ลงใต้ไปอยู่กรุงเทพอะไรอ่ะผักติ้วก็ยังมีนะผักติ้วกินกับซุปหน่อมไม้อา้าวมันก็ยังมีมาเนาะนี่วะแล้วก็มีเพือเผือรถ ด, ด่วนก็มีเนะ่ยนะข้าวดักแด้ ก, ก็มีไม่เอามาจากไหนไม่รู้นะกรุงเทพนะั้นสุขุมวิทนั่นเนี่ยเพราะอะไรความเจริญรุ่งเรืองไงมันถึงกันหมดถึงกันโมดวันหนึ่งได้กินหมกนางต่ออีกต่างหากรุงเทพปะั๊บ่ต เห็ดเพาะก็มีนะเห็ดละโงกก็มีนะอ่ะ่เผอๆอาจจะได้กินเห็ดที่พระพุทธเจ้ากินแล้วตายที่ประเทศอินเดียตั้งหากเขาจะส่งมาเนี่ยที่ท่านมรณะภาพเพราะเบื่อเห็ดแนตะ่พระพุทธเจ้าเนี่ยอืมปัดขันธิขาพาทเราก็เหมือนกันนะไม่แน่เพราะว่าความจเจริญไงเพรา ะ, จะเจริญแทนที่จะสักแต่ว่าได้รู้เฉยๆไม่ใช่แต่กินแล้วติดรถติดใจโอ๊ยส่งมาอีกเด้อส่งมาอีกเด้อส่งมาอีเ ด, อาอเด้อเนี่ย เมื่อกี้จีนส่งซื้ออะไร ซ, ซื้อซื้อทุเรียนจากประเทศไทยไปสองพันตันสองพันตันเขาถามว่าเอาไปทําอะไรเขาว่าเอาไปทํายาสีฟันยังไม่ได้กินนะเอาไปถุงเล่นที่เฉยคนละนิดนนหน่อยเพราะประเทศจีนมันคนเยอะเนาะถิมัวไปกินอี่าก็ไม่ทันแล้วเอาทาปากเฉยๆนิดๆหน่อยๆพอหอมหอมพอมาติดอกติดใจเดี๋ยวมันจะมาซื้ออีกแหละเขาว่าอืมอันนี้ความรู้สึกเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ติดรถติดชาติก็ไม่มีปัญหาโอวันตินอย่างนี้นี่นี่นี่นี่นถ้าไม่ป่วยอย่าหวังว่าจะได้กินโอ้ป่วยไข้านาะคนนี้เนาะหมอเขาบอกว่าให้บำรุงหน่อยเด้อกินโอวันตินบ้างได้ไปซื้อดงโมงไฟนนใส่ถุงมานะใส่ถุงหิ้วมานะนะขี่จักรยานมาไม่ได้หมายว่าเราจะมีชงกินที่บ้านนะนะโอ้เด็กินโอวันติน ยินดีตินก็มานั่งรอคนไข้เขากินไม่หมดแล้วคูจะได้กินบ้างน่ะนะรอเขาเขาซดกินสักน้อยแล้วเราเลยจะกินต่ออะไประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้อย่างว่าน่ะอยากกินเวลานี้ก็กินชาช า, ชาชาชาชาชาอะไรนะประเทศญี่ปุ่น น, น่ะก็ยังมาชงอยู่ที่บ้านเราชาเนี่ยได้กินหมดอ่ะทีนี้อุปทานมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโรคภยยยัยไข้เจ็บเยอะแยะมาก มนุษย์เนี่ยไม่มีสัตว์ประเภทไหนฆ่าตายได้อไดโนสเสาร์นี่เรายังจะฆ่าเอาเขี้ยวมันมาแขวนคอนะช้างพวกนี้จะฆ่าเอางามันแต่พอมนุษย์เนี่ยมันจะมาฆ่า อ, าอะไรเราเนี่ยใครจะมาฆ่าเอาอะไรกับเราไม่มีนะมีแต่พวกเราเองเน่ยจะฆ่าตัวเองในนี้มนุษย์เนี่ยเอาอะไรมาฆ่าเอากิเลสตัณหานี่แหละเอาความอยากเนี่ยกินมากนอนมากมนุษย์เดี๋ยวนี้มีแต่ศึกษาวิทยาการมาเพื่อแก้ปัญหา โรคภัยไข้เจ็บนะปัญหาความโลภความโกรธของตัวเองอยู่เนี่ยพรคนนั้นโลภมากคนนี้ไม่ต้องออกระบบระเบียบอันนั้นเดี๋ยวปฏิวัติอันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะปราบกลุ่มนั้นปฏิวัติอันนี้เพื่อปราบกลุ่มนี้เลือกตั้งยวุ่นวายไปหมดนะปัญหามันไม่มีอะไรมันเป็นเพราะความอยากแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นว่าอืมถูกต้องํากฎหมายถึงจะเกิดนะเออจึงจะ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความโลภเนี่ไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละความโลภความโกรธก็เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างดีด้วยอมืมันไหลเข้ามาทางไหนล่ะอา้าวนรกเวลาโกรธเป็นนรกแหะเวลาไม่พอใจเป็นนรกเวลาพอใจเป็นสวรรค์ถ้ารู้เฉยๆแล้วเกิดดับเป็นนิพพานแมันมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นคายใจมันมีอยู่หกประตะูที่มันจะไหลเข้ามาเนี่ย อะไรเข้ามาอันไหนบ้าง่ะที่เราเอามาใส่ตัวเองแบบไม่พอใจเนี่ยมีไหมมันยากส่วนมากมีแต่พอใจรูปรสกลิ่นเสียงก็หาแต่อันพอใจเข้ามานะอันไม่พอใจแล้วไม่เอาเข้ามาหรอกใส่ชีวิตเนี่ยทีนี้อันพอใจมันก็ติดใจเองพอใจแล้วติดใจนะอันไม่พอใจก็ติดใจนะนะอันไม่พอใจมันก็ติดอกติดใจมันก็เพลิดเพลินไปอยู่ในนั้นนะถ้าพอใจมากเขเรียกว่ากามถ้าพอใจนี่ก็เรียกว่ากามะคุณ กามาคุณห้ากามคุณข้าได้เลยคุณของความใคร่ห้าอย่างะมาทางไหนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายน่ะนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์กระทบปัจจัยแล้วส่งไปที่ใจตัวที่หกตัวหกเนี่ยเหมือนสถานีนะเป็นศูนย์มันอะเป็นตัวเซ็นเตอร์ตัวอะไรมันผ่านมาที่นี้เข้ามาในนี้ปุ๊บ อันเราแทนที่จะไปจับที่ตาไปจับที่หูจับที่จมูกไม่จับที่ใจเราจับที่ใจทาเหมือนแมงมุมน่ะคอยโดดจับตัวเข้ามาปุ๊บเอาจับปุ๊บกลับมาอยู่ที่เดิมปุ๊บอยู่ที่เดิมเรารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละเวลาอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่ารู้ดับมันกลับมาอยู่ที่เดิมนย่าเนี้ยท่านให้ทําแบบนี้แะ่เรารู้เฉยๆเนี่ยทีนี้ไอ้ความพอใจไม่พอใจเวลามันจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ใจอืม เมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อจะดับดับที่ไหนเมื่อจะเกิดเกิดที่ใจดับดับที่ไนก็ดับที่ใจอ่ะนะดับที่ใจให้มัรู้เท่าทันมันให้มันเห็นถ้าใจมันดับแล้วเนี่ยมันเดินเข้ามาทางตมันเข้ามาเฉยเฉยอ่ะมันไม่มีเชื้อแล้วมันก็ดับไปเองเข้ามาทางหูแหละมันเข้ามาเฉยเฉยมันก็เดินออกไปเฉยเฉยมันไม่มีตัวอะไรไปเกาะไว้ให้มันพอใจอ่ะถ้ามันพอใจมันก็จะเข้ามาบ่อยเลยทีนี้นะเหมือนช้อนเนี่ยนะพระพุทธองค์ตรวยช้อน ไม่รู้รถแกงทับพีไม่รู้รถแขงเราก็ทําแบบนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาอาตตรูบรสกลิ่นเสียงทําเหมือนช้อนแต่ว่าตัวชิมนี่คือไอ้ความพอใจไม่พอใจตัวจิตเราโน้นน่ะที่มันจะพอใจกับตากับหูกับจมูกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีหน้าที่รักนะไม่มีหน้าที่ชังตาได้ชังใครเป็นไ ม, ไม่เป็นนะ่ะหูชังใครเป็นไม่เป็นนะลองดูดิเวลาเราหลับอยู่นะ เราไปดึงหนังตามันขึ้นให้มันเห็นเรานอะแล้วเรายิ้มให้มันด้วยทมน้ํำลายใส่ตามันยังเฉยเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รับรู้ไงนะมันไม่รับรู้มันต้องเป็นข้างในด้วยอย่างอทางการศาสนาเขาบอกว่าคนที่จะสามารถเห็นรูปได้หนึ่งหนึ่งต้องมีรูปสองมีดวงตาสามมีจักขุประาทที่ดีดูนะความละเอียดทางศาสนานะ สายสี่มีแสงสว่างเพียงพอรูปนี่คือต้องมีรูปนะรูปคือรูปใหญ่พอที่จะเห็นน่ยนะแล้วมีตามีจักษุประสาทเพียงพอแล้วมีแสงสว่างพอดีอันที่ห้าที่สําคัญก็คือมีโยนิโสเขาบอกมีการใส่ใจถ้ามีแค่นี้ปุ๊บมันจะไม่มีใจมาเนี่ยไม่เห็นนะมองไม่เห็นทำยังไงก็ไม่เห็นเน่ะเหมือน เรามองนี่ก็ถามว่าเห็นคนนั้นเดินผ่านเ อ, เอ๊ไม่ได้ดูอ่ะอืคล้ายๆจะเห็นอะไรประมาณจริงๆมันก็ผ่านสายตาไปนะแต่พอไม่ใส่ใจเนี่ยมันจะไม่เห็นนาเดียแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาจะมีสี่อันแต่ทั้งาศาสนาเนี่ยมีโยนิโสมีการใส่ใจด้วยมีการสังเกตมีการรับรู้อย่างดีทีนี้พอใส่ใจเนี่ยปัญหามันก็มีมาอยู่หนึ่งคือถ้าสติมันไม่เข้มแข็ง สติคือตัวกลองอ่ะมันไม่เข้มแข็งมันก็จะหลุดไปมันจะหลุดไปดีพอใจยินดีพอใจเพราะมันมีทุนอยู่ร่างเดิมอยู่แล้วนะคนไหนเป็นคนคอยดูแลสุขภาพตัวเองก็จะกั้นได้เปลียนแต่ไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายโอ้อันนี้กินแล้วไม่ดีนะเนี่ยเป็นโรคนะเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะสุขภาพเสื่อมแต่ว่าจิตน่ไม่ได้นะจิตก็ไม่ได้อัตตาตัวตนละหุดยิด บางทีก็อยากอยู่แต่อดทอนเอาอะไรประมาณนี้ยหรือบางทีไม่อยากนะแต่ก็กลับกลายเป็นความรู้ความอะไรที่อืมอยากบอกคนอื่นอยากสอนคนอื่นอยากบอกเล่าให้คนอื่นว่าเราดียังไงแล้วในขณะเดียวกันมันก็เห็นคนที่ทําแบบนี้ไม่เหมาะสมมันอยากจะติอยากติงนะ่ะปัญหาวะเนี่ยแล้วสังเกตไหมคนเคยกินอาหารปกติแล้วไปกินเจนเนี่ย พอกินได้เนี่ยเอาเริ่มละมันจะเริ่มเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนอ่ะเป็นแล้วจะฝึกอดฝึกทนหรือฝึกอันเกิดจากเขาพูดให้ฟังเขาเล่าให้ฟังเฉยเฉยพอดีวันเราทําแล้วคนมันสุขภาพดีอ่ะเราก็จะเริ่มติคนนั้นละยกตนข่มท่านละหรือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ทําแบบอดทนเอาอ่ะอดทนอดกลั้นแล้วรู้สึกว่าชีวิตเหมือนดีขึ้นอะไรประมาณเนี่ยแต่ไม่ได้ฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานสูตรนะ ไม่ได้ฝึกตามหลักอริยมรรคเนี่ยสัติประธานสุดมาเลยทียมันจะไม่สลายอัตตาตัวตนออกเราทำได้แล้วจะดูถูกดูหมิ่นคนนั้นคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ขึ้นมาฮนะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อนะ่ะแล้วส่วนมากมันก็จะเป็นแบบนั้นเอาไปมาก็ไม่ชอบคนนั้นคนนี้จะอยู่กับเขาเลยไปอยู่ในด่งในป่าคนเดียวเถอะอะไรปะมนี้ส่วนมากจะเป็นพระสมถะนะถ้าสมถะมันจะเป็นแบบนั้นนะ ก็อยู่กับตัวเองไปวันๆอยู่กับความสงบสงัดไม่มันโกรธไม่มันเกลียดไปแต่ว่ามันไม่เกิดวิปัสนาญาณนะจนกระทั่งแก่เท่าตายเลยสงบด้วยส ม, มถะไปเรื่อยๆทำมาดีไหมมันก็ดีอ่ะดีกว่าคนทั่วไปที่อยู่กับกิเลสตันหาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนรถแท็กซี่นะไถไปเลยอ่ะะสมถะเนี่ยเหมือนเอา ไมายเอาหินมาทับหญ้าไว้ทับไว้เนี้ยเวลาเปิดออกมันก็งอกขึ้นคือตอนทําสมาธิก็เหมือนดีเพราอหยู่ทําสมาธิมันงอกขึ้นเหมือนเดิมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยังไม่เกิดวิปัสสนานะก็เหมือนพอทําใจได้ตัดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างพอได้นะแต่พอกลับไปที่ทําการทํางานอ้ามันวูบวาบขึ้นมาทันทีเพราะอะรเพราะมันยังไม่มีวิปัสสนาแท้แต่เราไม่ได้ฝึกสมาธิมากรบความคิดอันนี้ ฝึกตัดความคิดไปในตัวเลยตั้งแต่เบื้องต้นเลยให้เห็นความคิดมันเกิดมันดับยังไงอโดยอาศัยความรู้สึกตัวหรือสตินี่อยู่กับฐานตั้งมันไวเราเหมือนอยู่บ้านนะ่ะเวลาความคิดมาออกไปเคาะหัวมนป๊อกวิ่งเข้าบ้านตีหวัววิ่งเข้าบ้านเวลาตีหัวมันวิ่งเข้าบ้านถ้าเราไปยุ่งอยู่กับมันมันจะซัดเรานะความคิดเนี่ยคือเหมือนเราเห็นความคิดเหมือนน้าไหลมาในเนี้ยออถ้าเราว่ายังไม่เป็นก็ลงตื้ น, ต, นตื้นก่อน อย่าไปลวดลายเดีย๋ยวสำลักน้ำตายนะคงหลายคนเนะี่ะสำลักความคิดเนี่ยออกยากว้ายคิดเยอะปวดหัวอะไรประมาณนั้นไม่รู้จะคิดไปถึงไหนหนอ่ อ, อามันเริ่มสำลักความคิดแล้วท่นมันลงไปลึกเกินไปพอเห็นน้ำไหลมารีบกระโดดจัดขึ้นฝั่งทันทีขึ้นฝั่งทันทีจนมาสู่ที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำบอกอย่าไปอยู่กับความรักความใคร่ขึ้นมาซะอยู่วันฟัง ไปมันไหลไปพอมันไหลไปปุ๊บมันเป็นมายาเนาะสักพัมันก็หายไปพอมันไหลมาเนี่เหมือนจริงเหมือนจริงนะเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะอืเราดูคลื่นในทะเลก็เห็นเนาะคลื่นน้ําในทะเลเนี่ยดูสวยจังนะแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยมันมีลมน่ะนะมันมีลมมันขึ้นมันก็ทบปุ๊บขึ้นไปมันก็พัดไปเพรานมันก็เริ่มมีแต่พอสิ้นลมหมดเรื่องนะอาจารย์ดา พูดอยู่เรื่อยนะอาจารณวธาตุคงเนี่ยโอ้ยหมดลมก็หมดเรื่องสิ้นลมก็สิ้นเรื่องคนเรามีแค่นั้นเองถ้ายังมีลมก็มีเรื่องนะถ้าหมดลมก็หมดเรื่องเวลาท่านเทียตีอะไรท่านจะพูดทุกตี <นะ S 1> เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเออมันมีเหตุมีปัจจัยมันแต่ถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยล่ะมันก็หมดไปอะ ชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ายังมีความคิดความอยากอยู่กระทบผัสสะเอาอันนี้มันเป็นประตูมันเฉยเฉยอ่ะมันก็ต้องไหลามาทำนั้นแหละะมาไหลามาตอนนั้นพอมาไหลามาปุ๊บเราก็สมมุติมันขึ้นมาแล้วจิตสังขารปรุงแต่งนะทีแรกก็ได้แค่รูปกระทบปุ๊บอา้าวรู้สึกเป็นรูปนะต่อมาก็เอาเป็นเวทนาละพอใจไหมพอใจเป็นสัญญาสัญญาคือความจํามันจําไว้เลยนะอันเนี้ย จำหน้าจำตาจำรูปร่างจำเลยรของคนนี้เลยนะอืมมันเป็นความรู้สึกนะหลวงตาเคยได้ยินได้หลายคนเขาพูดว่าเอา้อจัดอะไรนะภาษาเขาไม่รู้นะ่ะเอ า, เอาปาดเอาก้อนเนื้อคนนี้ไปเพาะน่ะนะเสร็จพวกก็ออกมาเลยเฮ้ยไปปาดเอาพระอหันไม่ต้องฝึกปฏิบัติทำเอาก้อนท่านมาแล้วเพาะเอาเพาะเอาเพาะเอ า, เ า, เอาใส่ขวดเพาะเนื้อเยื่อน่ะนะ เสร็จปุ๊บก็คั่ปีออกมาที่โรงเรียนสอนธรรมะได้หน้าจะดีอะแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้ น, นคนนี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่รถยนต์มันจะไปคั่ปปี้ได้มันได้แต่หน้าตาได้แต่รูปแต่อารมณ์เลยมันไม่ได้อ่ะอย่างแฝดอินจันเนี่ยมันยังชอบไม่เหมือนกันนะนะไอตัวหนึ่งชอบกินเหล้า ใช้อายวะเหมือนกันนะไม่เหมือนกันตีหัวสมองท่านนี้หัวเลาหัวเนะ่แต่แฟนตัวหนึ่งน่ยชอบกินเหล้ามากแต่สุดท้ายก็คือตายด้วยพิษสุลาน่ะเนี่ยอินแดนเนี่ยแต่ตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้มันกรนะโรตาก็ไม่รู้มชอบทําวัดสวดมนต์บ้างอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอะไรห่างตัวหนึ่งก็อ้าวมันเมาแล้วมันเนี้ยก็ไม่จะได้นะคือมันไม่เหมือนกันสองหัวอยู่ในตัวเดียวกันก็ยังไม่ได้เลยแล้วจะอะไรอีก่ะ เพราะว่าจิตเนี่ยมันสลับซับซ้อนแลละแต่ว่าการปลูกฝังอะไรยังไงถ้าปลูกฝังแบบมีสติสติก็จะมีนั้นเวลาให้คุณให้โทษกับร่างกายสังขารเนี่ยมันอยู่ที่จิตเรามองทั้งโลกมองทุกอย่างเป็นจริง นะแม้แต่สมมติทางกฎหมายแลย้วก็เหมือนจริงเหมือนจังอนะ่ะเอาจริงเอจังฆ่ากันตายก็เพราะอะไรเนี่ยเพราะมึงไม่ทำํำตามความจริงเลยประมาณนะี้แต่จริงจิงก็คือไอ้ความจริงที่เขามองน่ยก็คือเป็นสมมุติเขาน่าจะมองข้ามสมมติที่ไปหาสัจธรรมอยู่โ น, น้นแต่เขาไม่มองห า, นะ ท, า, ง ท, าทั้งธรรมทีเนี้ย ท, ท่องธรรมมองมองสิ่งที่เป็นสมมุติเนี่ยก็ว่าเป็นสมมุตินั่นแหละแต่ถ้าสติไม่พอนะจิตมันไม่ตั้งมัน่นพอสมาธิไม่พอ ก็จะมองสมมุติแล้วติดสมมุติปัญหาวเนี่ยมองสมมตินะแต่มันติดสมมุติถ้ามันติดสมมติเห็นสิ่งที่หลายเป็นสมมติแล้วเนี่ยมันไปติดมันก็อันหนึ่งก็คืออย่างทางโลกเขาจะติดไปเลยเนาะติดอารมณ์ติดอะไรไปแต่ทางธรรมเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นสมมุติอืมแต่ว่าจิตเนี้มันจะยกตนข่มคนอื่นมันรู้ว่าอันนี้แค่สมมติแล้วมันไปติดทําไมอยู่เลยเนี่ยมันว่ามันดีกว่าเขาอ่ะปัญหามัน แต่ทั้งโลกไม่ดีเลยเสพไปเลยแต่ทั้งทำเริ่มมองแล้วก็จะดูถูกคนอื่นเขาอืเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันจะอยากบางทีก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็อ้าอยากเป็นคนเทศคนสอนอยากเป็นคนบอกคนอื่นที่นำอะไรประมาณเนี่ยมันจะขึ้นมาแต่นะเวลาเราศึกษาเรียนรู้โอ้อันนี้เราติดอารมณ์มันี่เนาะพอรู้อันนี้มันจะเป็นอารมณ์มั น, นี่พอรู้อันนี้เป็นอารมณ์มั น, นี่แล้วก็ฝึกฝนนะ่ย ย่งปฏิบัติทํามนี่เวลาคนรู้รูปนามเขาจะเริ่มติดล่ะเริ่มติดวิปัสสนูอะนะเพออารมณ์รูปนามเนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องสมมติน้อยนะแต่ทําความเบียดเนี่ยมันก็จะจำเจี้ยงเรื่องสมมุติแล้วมันจะติดสมมุติน่ะแล้วก็จะติดวิปัสสนูล่ะนะมันรู้สึกว่ามันเริ่มจับผิดคนอื่นน่ะบางทีนี่ยพวกปฏิบัติทําด้วยกันบางหยาติพี่น้องบางอะไรบ้าหรือพระสงค์ของขาเจ้าหรือใครก็ตามมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ดีกว่าคนอื่นน่ะที่ได้รู้อันเนี้ย เราทำอันนี้ได้คนนั้นทําไม่ได้มันจะเริ่มดูถูกดุดิ้นเขานั้นก็เป็นตัวตนของเราอีกแบบหนึง่งเรียกว่าอุปกิเลศมันไม่ใช่โลภะโทสะโมหะชัดๆนะแต่ว่ามันเป็นอาการที่ของกิเลส ท, ที่มันยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ดูไม่ค่อยออกเว้นไว้แต่ว่าคุณจะมีแว่นส่องธรรมละเอียดกว่านี้มีธรรมธาโศนะคือการสังเกตอารมณ์เนี่ยมันต้องลึกกว่านี้ถ้าลึกกว่านี้เห็นมันชัดโอ้เป็นอย่างนี้เนาะไม่เอาแล้วเนี่ย อย่างหลวงพ่เทียนเนี่ยปฏิบัติไปสโนอ์ทันโน้โอ้อันนี้มันเป็นวิปัสนาโน้อ้นี่มันเป็นจินตายานเนาะโอ้มันคิดไปแบบนโอ้มันเป็นวิประลาสทันโน้เงี้ยนะท่านจะเฉลียวใจไวแต่คนส่วนมากก็ปัญญามันจะไม่แก่กล้าแบบนั้นเนะ่ะเพราะที่สําคัญก็คืออืความมุ่งหมายเนี่ยไม่ใช่การดับทุกข์จริงๆนะพอมันไม่ใช่การดับทุกข์จริงๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หยิบฉวยเอาหมดลนะมันไม่ได้บอกเ อ, อ้อนี่คือ จะไปสู่การดับทุกข์ได้เนี่ยพอหยิบช่วยอะไรก็จะติดอารมณ์แบบนั้นอา้าวเห็นสมมุติแต่ก็ติดสมมุติปล่อยวางสมมติไม่เป็นเนี่ยทางโลกเขาติดเลยละ่ะนะแต่ทางธรรมบางทีก็ปล่อยวางแต่ก็จะติดสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองเพมันต้องรู้อารมณ์ที่สูงมากกว่านี้นอะไรบ้างแหละที่เป็นสมมติทางธรรมเนี่ยที่แรกก็สมมติไอ้ข้างนอกนี่แหละสมมติ แก้วนเงินทองอะไรที่เราติดมาก ๆ, ๆนะมองดูดิจริงๆมันก็แค่สมมุตินะแต่ว่าถ้ามันไม่รู้จากสมมุติมันจะไม่ปล่อยวางนะนะครอบครัวผัวเมียญาติพี่น้องเงินทองเข้าของหรือประมาณเนี้ยทรัพย์สมบัติมันมองไม่ออกเลาว่าเป็นสมมุติน ะ, นะการเห็นสมมุตินี่คือการทําให้เกิดจิตมันเกิดการปล่อยวางเพื่อจิตจะมีสมาธิเข้าสู่ปรมัตต์รู้รูปนามก็คือรู้อยู่กับปัจจุบันที่เฉยเลยลึกรู้อยู่ปัจจุบัน แต่พอ ร, รู้รูปนามนามรูปรู้จักสมมุติรู้จักาศาสนารู้จักพุทธศาสนารู้จากศาสนานะศาสนาคือคําสอนทั่วๆไปอ่ะแต่าศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงสภาวะอาการที่มันตื่นโพลงสว่างโอ้ตัวสติตัวสมาธิปัญญาคือตัวาศาสนาที่เกิดจากวิปัสสนาเนี่ยแต่ท่านว่านั้นไม่ใช่ตัวพุทธะเป็นาศาสนาสมมติเราอาจจะเรียกว่าสามถะศาสนาสมถะก็ได้ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอาการของส ม, มถะไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นส ม, มถะส ม, มถะก็คือมันส ง, งบเฉยเฉยนี่มันจะไม่เกิดอาการนี้นั้นก็เรียกว่าเรายังไม่เข้าใจพุทธศาสนานะไม่เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยแม่ชีคนหนึ่งเขาโทรมาสอบอารมณ์เนี่ยเขาอยู่ในสำนักหนึ่งแม่ชีทั้งหกสิบเอ็ดคนนั่นเยอะมากปฏิบัติธรรม แต่หลวงพ่อเขาจะพูดเรื่องผีเรื่องสางเรื่องนั้นเรื่องนี้ชาติตายแล้วเกิดเนี่ยท่านว่าจุดอะไรนะปุเพนิวาส า, ศศศศศานุสติยาสติญาณคือเห็นการเกิดและจุดติการเห็นชาติแล้วชาติหลังรอดจะเกิดเป็นอะไรยังไงตั้งไงต่างเนี่ยไม่จีเขาว่าตามที่เขาเดินท่กรมเขาปฏิบัติทำเขาแจ้งวันนั้นวันนี้อาการมันเป็นอย่างนี้นะอันนั้นน่าจะเป็นมายานะหลวงพ่อนะไอ้ันอืย หลวงพ่อเลยไล่หนีออกจากวัดพูดมากอืมเธอยังปฏิบัติไม่ถึงยังไม่เห็นอะไรประมาณนั้นเน่ยไม่ชีก็เริ่มหงุดหงิดนะหงุดหงิดกับเอหลวงพ่อไม่รู้ธรรมะนะเนี่ยพอเดินผ่านไปแค่จะได้ยินหลวงพ่อฟังลุกละวห้านาทีสิบนาทีลุกหนีแล้วมันติดอารมณ์อ่ะมันบอกว่าท่านไม่รู้อืมนใจนี่ยมันบอกว่าท่านไม่รู้อ่ะหลวงตาได้ถามอ่ะ เขาโทรมาเาถมว่าหมากับพระเนี่ยเธอศรัทธาใครมากกว่ากันนะโอ้ตถาธศรัทธาพระเขาบอกศรัทธาพระเพราะอะไรเอ้าพระเขาต้องดีกว่าหมานะถ้าพระไม่ดีนะ่ะพระไม่ดีก็ยังดีกว่าหมาอยู่นะะยังดียังอันนั้นอันนี้อยู่เอา้าแล้วทํำไมไม่ศรัทธาหมาหมาก็คือหมานะเอา้าหมาไม่ได้ทําสุขทําทุกข์ให้กับเธอนะละแล้วเธอไปว่ามันดีไม่ดียังไง อันนี้หลวงพ่ออยู่ที่วัดละ่ะหลวงพ่ออยู่ที่วัดก็ดีนะไม่ได้มีอะไรเผื่อจะว่าเออท่านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจหมาแล้วมันเข้าใจไหมลุตงตาถามหมาก็ไม่เข้าใจนระกสวรรค์ไม่เข้าใจเรื่องผีนแล้วเือโกรธไหมหมาไม่โกรธเอา้าหลวงพ่อละ่ะหลวงพ่อไม่เข้าใจอะ่ะคิดว่าท่านไม่รู้แต่ท่านก็ยังเทศอยู่ลุงตาถามว่ามันเป็นประโยชน์กับคนไหมสิที่านทำเนะ่ะมันมีประโยชน์บ้างไหมมีเออ เขายังมี่คนไปขี่ตามถนนท า, ทางในหมายยังได้กินนะไม้ถามว่ า, วามันมีวิตามินอยู่เนาะเนี่ยก็ยังเห็นประโยชน์มันมนะขี่เนี่ยเอ้าพระที่ท่านทำแบบนั้นมีประโยชน์ไหมก็มองจุดที่มันดีดิหลวมพ่อพุทธทาตาัวเขามีส่วนเรวว่างช่างหัวเขาเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่อ้าใช่จริงๆนะถ้าเราจะมองเห็นในสิ่งที่มันชั่วมันชั่วนะสิ่งที่ผิดมึนมิจะผิดนะแล้วเรามองแบบเป็นตัวตนเราไม่ต้องมองว่าเป็นสภาพธรรมเกิดดับ เฉยๆนะมันไม่ได้เป็นสภาพธรรมเกิดแบบมันเป็นสักแต่ว่าดูเฉยๆจะเอามาหยิบเอาก็เลยว่าเอาวันต่อมาเวลาเน่านี้ท่านบอกว่ายังไม่ดีก็คือเหมือนกับบ้านสาบ้านเราเรียกว่าจะใส่ของนะ่ะนะจะเพ่งกระแสจิตไม่จริงก็แน่นหน้าอกน้ว่าหนึ่งนอนไม่หลับหายใจบอกอ้าวนะท่านเพ่งก็ะแสจิตใส่ของมาแล้วอืดอดัดโทรมาหาหลวงตา ว่ า, าออะจะมาของอะไรยังไม่มของจะมาของอะไรจะให้พระทางนี้เพ่งกระแสจิตโตกันกับพระหลวงพ่ออีกเอา <c oughs> ้ามันจ่ไม่เอาละถึงเวลานอนแล้วจะมาโต้นั่นโต้นี้อยู่พุ่นวายแล้วมนะันว่าจะนอนไม่หลับมันแน่นน่ะไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแลยว่าโอ้มันเธอไปคิดเอาเองทั้งหมดนะไม่มีใครเอาอะไรให้กับเธอเพราะเธอคิดว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แหะเธอเลยติดเนี่ย ถ้าเธอเฉยเฉยซะเธอก็ไม่มีอะไรอ่ะถ้าเธอนอนหลับแล้วมันไม่มีอะไรนะอันนี้เธอตื่นมาเธอไหลไปกับความคิดเขาว่าไม่ได้คิดจริงๆนะไม่ได้คิดแต่มันสะสมอ่ะมันเกลียดคนนี้มานานอัดเขา้าอัดเขา้าเขา ม, มีอะไรนี่นี่หรอมันเป็นทันทีอ่ะบางทีมันก็กลัวด้วยคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดอะไระมา น, น, นั้นๆทุกเนี่ยเราเจ็บมาใส่ตัวเองหยิบอันนั้นมาใส่หยิบตัวนี้มาใส่แล้วมันก็อึอดอดัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะบอกไงว่าจะไปทําอะไรอ่ะ ทำเพียงแต่ว่าทำตามหน้าที่เรามีหน้าที่เราก็ทำตามหน้าที่เนี่ยที่อะไรก็คือทำมันนั้นถ้าทำมันได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีอืมทำได้ก็ดีนะทำไม่ได้ก็ดีเราทำแล้วทำเท่าที่ทำแต่ว่าให้ทำมันเต็มที่แต่คนสมว่าตัวเท่าควายในบางทีเนี่ยทำนี่ทำเบาๆ น, น่้อยทำเ ท, ำทำ่ามดเวลาทำเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ตัวเท่าควายก็ทำเท่าควายตัวเท่ามดก็ทำเท่ามดในวันนี้ แต่บางคนครู้ว่ากินเองมันเยอะเอาคนนี้เวลาทํางานทํำ น, น้อยๆแต่เวลากินนี่ว้ายสามกระมังเลยอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่พอดีคือต้องทําให้มันเหมาะสมทําให้มันสมควรแก่ทำถ้าทําสมควรแก่ทำก็เหมาะสมล่ะอะไรประมาณนั้นเขาว่าโอ้คนนี้เป็นนี้เนาะคนนี้นี่คุณการท ม, มันเกิดขึ้นคนนี้เรียบร้อยเนาะคนนี้สงบนะคนนี้สํารวมนะ คนนี้ปล่อยวางเนะ่คนนี้ทํางานได้นานนะวันก่อนเห็นครูบามายกย่องครูบาประคิดอยู่เนี่ยวครูบาประคิดท่านแหละดีเนาะอย่างโน้นอย่าง น, น, นี้นะท่านเรียบร้อยท่านเป็นคนอ่อนน้อมเนาะตัวท่านก็อย่างว่านะทั้งขยันด้วยทั้งอ่อนน้อมทั้งอะไรเนี่ยนะพระครูบาท่าโอ้ยผมโดยศรัทธาท่านผมก็ทําอย่างท่านยังไม่ได้ครับหลวงตาอะไรประมาณโอ้ท่านก็ยังมีคือบางคนเนี่ย ไม่มีใจที่จะยกย่องคนอื่นไปซ้ำไปนะอย่าว่าจะเป็นอย่างเขาเลยแม้แต่จิตยอมรับคนอื่นก็ยังทําไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตมอะไรเน่ไม่ได้บางทีนี่ไม่ยอมเห็นคุณงามความดีที่คนอื่นทําเลยฉะนั้นจิตแบบนี้มันมันอ่อนได้ยากมันลงได้ยากฉะนั้นทำยังไงเนี่ยทายังไงไม่จ็อยารู้จักความจริง ของสิ่งต่งางๆต่างพวกเนี่ยก็อย่างว่าเนะี่ยในเบื้องต้นคือฝึกสติเยอะๆนะใหญ่มันง่วงถ้ามันง่วงแล้วก็คือมันมีโอกาสที่จะรู้รูปนามอถจาฝืนความง่วงความเหงาไปได้สติก็จะต่อเนื่องพอต่อเนื่องก็จะรู้จักรูปนามแล้วรู้จักรูปนามคือรู้จักสติเป็นสติรู้จักความคิดเป็นความคิดรู้จักกายเดินเป็นกายเดิน่นะะมันจะรู้จักแบบฉับพลันนะแบบอยู่ๆก็แบบเนี้ย นะมันหล่นลงมาแล้วมันแตกกระจายไปเลยเนี่ยเหมือนกันนะไอ้ที่เรายึดมั่นหรือมันเนี่ทั้งรูปทั้งนามทั้งตัวตนทั้งความคิดอะไเอ้ามันสามารถแยกได้อะแยกเป็นตัวใครตัวมันเป็นความคิดก็ต่างหากความรู้สึกตัวก็ต่างหากกายเดินอยู่การเคลื่อนไหวก็ต่างหากเนี่ยโอ้มันเห็นชัดมันเห็นนี่มันเห็นทันทีเลยนะไม่ใช่มันเห็นค่อยคยเห็นนะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ยมันจะมีพลังในการสลายอัตตา เจ็บคออ่ะคือมันได้ตะโกนเราอ่ะถึงได้พอดีสองรุ่มพอดีน ะ, ะเตรียมตัวคลับรับ